ในวัดของเราออกไปฉันข้างนอกบ้านคุณปอคุณปอเพสัต ท, ที่เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของพวกเราทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านของลูกสาวมัอยู่ที่อุดรนินมนต์พระวัดเราเก้ารูปหลวงพ่อให้วัดไปหกรูปแล้วก็เอาทางวัดท่านรัตนะให้ท่านรัตนะเป็นหัวหน้า มาทางโน้น อ, อีกสามรูปรวมแล้วเป็นเก้าพระออกแต่ออกไปแต่เมื่อเช้าเนะี่ยพระในวัดของเราทั้งหมดขณะนี้วัดของเราสามสิบเก้ารูปนะวันนี้เป็นวันที่หกมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันก่อนหลวงพ่อได้ฉันจะหันเสร็จได้ ลงไปกรุงเทพนะลูกหลานลงไปกิจนิมนต์แบบเรียบด่วนลงไปก็ไปพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็ตอนเช้าก็ไปฉันจังหันกิจนิมนต์อยู่ที่เขตพระปแดงสมุทรปราการร้านอะไรแครอท โยมของหลวงตาของเราเนะ่ยลงปู่บุญมีที่รู้จักมักคุ้นกันมาเก่าแก่นมนานที่ถวายผ้าหม่มแล้วกับปีนี้พิวาปรวรณาที่จะมาทอดกระถินที่วัดเราด้วยปรวรณาไ้ข้ามปีแล้วบอกว่าจะมาทอดกระถินปี 59. ห้าเก้าหพ่อก็ได้ ลงไปแล้วก็สวดมนต์ฉันเช้ารู้สึกว่าลงปู่ประสานแล้วก็ลงพ่อน้อยก็มีพระโอ้ยาวแถวนั่งแถวยาวเยียดอยู่นะพระเป็นเกือบ20องค์วันเนี่ยก็ฉันจันเสร็จก็มาขึ้นเครื่องประมาณทักเที่ยงกวักวามาถึงวัดไม่ค่ำเมื่อวาน แล้วก็วันนี้เป็นวันที่หกเมื่อวานนะเมื่อวานเป็นวันครอบรอบวันพระราชทานเพลิงสริละสังขารของหลวงตาเรานะหลวงตามหาบัวพระราชทานเพลิงสริระสังขารของท่านเมื่อวานแต่นับจากวันนั้นมาถึงเมื่อวา น, นหน่้าปีพอดีหลวงตาจากพวกเราไปห้าปี ที่วันเป็นวันครอบรอบวันพระราชทานเพลิงสริระสังขาญ ร, รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามในห้าปีให้หลังแต่ยังไงก็ตามคุณธรรมขององค์หลวงตาที่ดนแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอัตธรรมของหลวงตายัางกล้องอยู่ในจิตใจของสิทธญานุสิต ท, ทั้งหลาย ถึงจะเรื่องกิริยามารยาทเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการประกอบคุณงามความดีต่างๆที่หลวงตาได้พูดมากมายแต่ว่าในยุปปจจนคาานนย ป, ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเนี่ยได้เทศนาว่าการว่า ก, กล่าวมากที่สุดเราเป็นหลักการอีกต่างหาก พ่อใหญเพราะว่าหลวงตาทางปริยัติท่านก็ได้เรียนได้ศึกษามาได้เป็นมหามหามหาสามประโยคจากนั้นท่านก็ได้ค้นคว้าศึกษาในพระไตรปิฎกละเอียดทีท่วนท่านเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วจากนั้นก็มาศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็เป็นผู้ในยุคปัจจุบันก็เพชรน้ำหนึ่งเป็ น, นต้นต้นตระกูลของพระกรรมฐาน เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดรอบครอบรอบรู้ในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนพอจะกล่าวถึงหลวงหลวงปู่มั่นแล้วก็ปนมมือบนศีรษะเสีสก่อนจบบนศีรษะเสีสก่อนปน ม, มือขึ้นมาในระหว่างศาีรษะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านบอกท่านสอนอย่างนี้ฮแสดงว่าพระลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่น เคารพครูบาอาจารย์อย่างสุดๆดอย่างสุดซึ้งพอจะกล่าวเอ่ยชื่อถึงครูบาอาจารย์ของตนเองต้องปนมมือขึ้นบนศีรษะซะก่อนจึงกล่าวเอ่ยชื่อของท่านอย่างหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันหลวงปู่เจ๊ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้พบได้เจอได้เห็นท่านเอ่ยชื่อตั้งหลวงปู่มั่นแล้วก็ปรนมมือขึ้นบนเสียนศีรษะซะก่อนจึงได้เอ่ยชื่อท่าน ก็จแสดงว่าเป็นที่เคารพของบรรดาสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายในยุคสมัยนั้นรุ่นนั้นตุ่นเก่าแต่ทิ้งยังไงหลวงปู่มั่นเองก็ได้แนะนําสั่งสอนสิทธิของหลวงปู่มั่นมากที่สุดในยุคปัจจุบันถ้านับเรียงลําดับลงมากันมีแต่ต่างที่จริงก็โร่งโรยไปตามอายุสังขารอย่างเหลือไม่กี่องค์ ที่ยังเหลืออยู่น้อยมากที่เป็นรุ่นของลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่เมืมาถึงยุคขององค์หลวงตาของเราท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกศิษญานุศิธิ์องค์หลวงตาท่านได้ทั้งปริยัดคือการมหาป ร, ริยนทางพระไตรปิฎกและก็ได้ทั้งปฏิบัติคือได้ไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ทั้งสองอย่างมารวมกัน อางนั้นท่านก็แนะนำสั่งสอนอ้างอิงถึงปริยัติก็เป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายตํำรับตาราทั้งฝ่ายพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณทั้งหลายเป็นที่ยอมรับขานไม่ได้เพราะลวงตาเรียนมาด้วยกันจากนั้นท่านก็นำมาเอาแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพนวกเข้าหากันทั้งปริปรยัติก็ได้เรียนมา ทางปฏิบัติท่านก็เดปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาการแนะนําสั่งสอนท่านก็บอกประกาศว่าแปลว่าท่านไม่สงสัยในธรรมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วคือสรุปแล้วก็คือประกาศพระหันในตัวของท่านเองอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ยินกันท่วนหน้าในบรรดาศิษย์ทั้งหลายท่านได้สาเร็จมรรคสมบทสําเร็จผลที่ไหน ที่วัดดอยธรรมะเจดีท่านก็พูดชัดเจนสาเหตุที่ท่านได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมในจุดนั้นท่านรู้เห็นอย่างไรท่านบอกวิธีการวิธีกรรมไว้ให้หมดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องสมาธิเป็นสมาธิสมัยท่านเรียนหนังสือท่านก็บอกว่าท่านนั่งสมาธิอาจารย์อุปชาบอกว่าให้นั่งภาวนานะท่านก็ภาวนา เดินยองกลมเนอะจันกระเดินยองกลมนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธเนอะจันก็ว่าพุทโธพุทโธเอแต่พอพุทโธไปแล้วมันเหมือนมันหลับมันเคลิ้มไปเหมือนเผลอไปเหมือนเผลอไปแต่ตามไม่จริงจิตสงบทันวันนะหลงตาท่านวะอุปชาสอนท่านไม่เคยไม่เคยที่ว่ะภาวนาจิตให้สงบพอมันเน่งสงบลงไป อพอถอนกึ้นมาโอ้ทาไมมีความสุขจริงๆมีความสุขจริงในจิตสงบนี้ออจากนั้นพอพยายามจะให้มันเป็นอีกมันก็ไม่เป็นอพอความอยากมันมีอยู่อันนี้ทุท่านก็พูดให้ฟังความอยากคืออยากอยากเพราะมันเหมือนจะเหมือนจะเป็นอย่างเก่าน่นพอมันเคลิมเคลิ้มลงไปมันจะเป็นมันจะสงบนั่นี่ยมันก็ถอยเพิกขึ้นมาซะอพอความอยากะต่อมา เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็ น, ป น, ปนอะ่รภาวนาไปเรื่อยมันก็สงอบเอกนะอันนี้ก็คือวิธีการเริ่มต้นขององค์หลวงตาที่ท่านทั้งเรียนปริยัติธรรมด้วยทั้งปฏิบัติไปด้วยอันนี้ก็คือการภาวนาพอจากนั้นท่านเอ่อมาได้สอบนักธรรมเอกได้มหาป ร, ริญญาสามนี่ที่จังหวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นท่านก็ออกเลยเพราะตั้งใจไว้แน่วแน่แล้วว่าเมื่อ ได้มหาป ร, ริญญาสามแล้วจะออกปฏิบัติจะไม่เรียนต่อจะไม่ไม่เอาป ร, ริญญาสี่เอาป ร, ริญญาสามพอจากนั้นเขามาศึกษากับหลวงปู่มั่นพอศึกษาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกว่ามหาการเรียนการศึกษาของท่านนั่นที่มาเรียนมามากน้อยน่ะเอาเข้าตู้ปิดประตูไว้เลยนะใส่กุญแจไว้ข้อความรู้ของท่าน อย่าเอาออกมานะอย่าออกมาเปรียบเทียบเมื่อภาวนาเป็นอย่างงี้จะต้องเข้ากับหลักธรรมตรงนั้นตรงนี้มันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดจิตใจจะไม่สงบเพราะนั้นอย่านํามาในขณะนี้ไม่เกิดประโยชน์สําหรับท่านให้ภาวนาพุทโธเท่านั้นเข้าใจไหมให้ภาวนาพุทโธเท่านั้นแหละจะไปเอาเอาปริยัติออกมาเปรียบเทียบให้เอาพุทโธอย่างเดียว ลงตาท่านก็ครับผมจากนั้นท่านก็ภาวนาพุทธโธอย่างเดียวนะ เ, เวลาหายใจเข้าพุทในะใจอ้อหายใจออกโทนะแต่ก่อนหน้านี้ท่านว่าท่านกําหนดภาวนาเนี่ยมีแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ไม่ได้บริกรรมพุทธโธเเออมันหลงหลงจนได้ง่ายหลงเงื่อนได้ง่าย เผลอได้ง่ายเออจากนั้นหลวงปู่มั่นทนะ่านบอกว่าต้องสำทับพุทโธเขาด้วยนะเออถ้าหาวบดกาหนดลมหายใจอย่างพระพุทธเจ้าที่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันเผลมันหล ง, ม, ลงมันลืมได้ง่ายให้เอาพุทโธสำทับพุทโธเขาด้วยนะเออท่านหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนั้นนะหลวงตามหาบัวกันท่านก็บอกว่าท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นในใจเลยนะเอา้า ข้าพเจ้าจะเอาพุทธโธตอนนั้นจะไม่ให้มันเผลออทุกิรียบททั้งยืนเดินนัง่งเว้นเสียตลับอถ้าว่าเราจึงมีสติอยู่เนี่ยเราจะไม่ให้เผล อ, อท่านว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธโธเวลาก้าวเดินไปขาขว า, ขาพุทธขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดกับเวียงซ้ายเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโท โทพุทโทพุทธโทรทนโอ้หวันแรกเหมือนอกจะแตกท่าว่ากันนะเพราะมันเคยใจของเรามันเคยกระโดดโลดเต้นออกทางนอกจนพอแรงอติดพบติดชาติอีกมาอีกต่างหากนี่บังคับให้มันอยู่กับที่เนี่ยท่านว่ากันนะเออกจะแตกท่าว่ากันนะมุกมันทุกมากจริงจริงพอวันที่หึวันที่สองโอ้โหไม่แพ้กันอพอวันที่สามรู้สึกเบาลงนะทะเนี่ยจิตเข้มแข็งขึ้น พอวันที่สี่เออเอาชนะได้กําหนดอยู่ที่ไหนมันอยู่เพราะบังคับมันนะอะจากนั้นก็วันที่สี่ที่ห้าจนถึงประกาศในตัวเองว่าโอ้จากนี้ไปจิตใจของเราจะไม่เสื่อมเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอไม่เสื่อมตั้นนี้ไปแต่ก่อนมันขึ้นแล้วมันมันขึ้นแล้วมันเสื่อมพอมันได้ดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมหมดไป เวลามันหมดหมดขนาดที่ว่ามีแต่ชื่ออิตาบัวธนว่านะท่านพูดให้พูนตัวพูดพูดให้ท่านสอนให้ฟังมันมดทุกอย่างเลมีแต่ชื่ออิตาบัวท่านยังอยู่ในจิตในใจมันเหี่ยวแห้งไปหมดเลยนั่แหละมันเสื่อมเสื่อมถึงอนาดนั้นนะใจเสื่อมมันทุกจริงจริงทําว่านะมันทุกจริงจริงเมื่อจิตเสื่อมนี่แหละ อันนี้ท่านก็เล่าเล่าให้บรรดาสิทธิ์ยาวนุสิตได้ฟังได้ศึกษานะในเรื่องแนวแถวของท่านปฏิบัติมาอย่างไร อ, อจากนั้นท่านก็บอกไปอยู่กับหลวงปู่มัน อ, อพอท่านั้นก็จิตสงบแล้ว่านนี่เน่งนั่งทั้งคืนก็ไดอ้อพอนั่งวันนี้อากาศพรำพรำอากาศเย็นเย็น อ, อากาศไม่ร้อนไม่หนาวมาก อ, อท่านว่าวันนี้จะนั่งทั้งคืนเ อ, อจะไม่ขยับ จะไม่ลุกเออท้าวว่าปวดขี้ปวดเยี่ยวเดี๋ยวมึงก็จะ ว, วา่าหาวา่าหาทางออกให้มันถึงจะขี้จะเยี่ยวก็ตามให้มันทารักเลยเออจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดเออขนาดเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เรายัางล้างได้แต่บัดนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงมันจะทารักออกไปกับให้มันทะรักเออตอนเช้ายังคอยไปซักมันไปซักไปล้างมันไม่ลุกเด็ดขาด ถ้าว่าคิดว่ามันจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีเอเดี๋ยวมันจะหาทางออกเดี๋ยวก็ปวดเที่ยวปวดถ่ายหน่อยนี่มันก็นจะลุกอยู่ตลอดเวลานะ่ะพอกิเลสมันจะพาออกนะเราจะไม่ให้มันลุกนะเนี่ยขนาดนั้นนะครูบาอาจารย์เอหลวงตานะ่ยจากนั้นถ้านก็นั่งภาวนาอกําหนดลมหายใจเข้า บ, บริกรรมพุทหายใจออกแต่โทนะท่านว่าเวลาวันอากาศร้อนนะอากาศร้อนนะ วันนั้นอู้เข้าสมาธิได้ยากอุตุอุตุสัปายะในสํนคาคัญเหมือนกันนะอุตุสัปายะในสําคัญถ้าอากาศร้อนอุดอุดอ้าวนะอบอ้าวเนี่ยอจิตใจจะสงบได้ยากใช่ไหมแต่จิตใจวันไหนอากาศเย็นเย็นสบายสบายกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธจิตใจมันนิ่งเงียบเงียบเงียบอนิ่งเลยอจิติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น จิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอจิตทั้งรวมสงบเมื่อจิตรวมสงบแล้วไม่รับรู้ทางกายนะไม่รับรู้ทางกายเจ็บปวดไม่รู้หรอกหายเงียบไปมันเป็นอีกมิติหนึ่งเอถ้าหาว่าจิตไม่สงบมันปวดนะมันปวดแข้งปวดขาปวดอะไรต่อปวดแล้วเต็มไปหมดน่ะเวทนามันเกิดแต่พอจิตสงบเท่านั้นไม่รับมันไม่รับรู้ทางกาย จิตใจรวมสงบและไม่รับรู้ทางกายกายหายเงียบไปเลย เ, เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงฝนตกเสียงคู่คนมันไม่ออกมาทางรับไ ม, ม่ออกมารับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเลยใจมันเป็นอีกมิติหนึ่งพราจิตสงบเนี่ยแต่จิตสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันอีกอยู่ในอยู่ในกลุ่มหนึ่งเกาะหนึ่ง อจากนั้นมันก็ถอนออกมาเอบางทีถอนออกมาตอนเช้าเนี่ยบางทีเข้าได้ยาวนะบางทีก็ถอนอสงบถอนออกมาแล้วเข้าเข้าสงบ อ, อีกวันแรกนะพอคร้างแรกนั่งตลอดคืนพอเสร็จแล้วก็พอสว่างขึ้นมากลุกเลยเอพอลุกขึ้นมาหงายตุ่มเลยเหมือนกันคล้ายๆว่าขามขามันเป็นเน็บขามันหมดความรู้สึกนะ่ะทันว่านะเหงายผึ่งเลยทีนี้ โอ้โหทําไมอพอต่อมาอีกพอนั่งครั้งต่อไปเนี่ยเวลาจะออกจากสมาธินั่นต้องเอามือจับขานจับขาตัวเองเหยียดออกไปซะก่อนพอเหยียดออกไปแล้วก็เอขยับนิ้วเท้าซะก่อนพอขยับนิ้วเท้าเข้าที่เข้าทางแล้วยังค่อยลุกเท่านั้อันนี้ก็คือวิธีการที่อครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวในเรื่องธทำสมาธิของครูบาอาจารย์ จากนั้นทําว่นสามสีวันสามสี่คืนเอาครั้งหนึ่งหกเจ็ดคืนก็ภ า, าวนาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่นั่งทุกวันเนอ้อเอะช่วงช่วงว่างๆแล้วก็ดูดูอากาศสบายๆก็นั่งอแต่อากาศไม่ดีอากาศร้อนอดอดอุดอ้าเน่ยเข้าสมาธิแต่ยากอุตุสับปายะเนี่ยออุตุไม่สับปายะมันมันมีจริงๆใช่ไมอมจากนั้นท่านก็บอกหลวงปู่มันทัน้งวันท่านมหาเป็นไงภาวนา โอ้จิตสงบดีครับผมฮ ะ, ะนั่งทั้งคืนก็ได้ครับผมไม่ให้มันออกไปที่ไหนเลยนิ่งเลยจิตสงบมีมีความสุขในจิตสงบครับผมฮ ะ, ะจิตสงบนะั่นะต้องนํามาพิจารณานะนาที่จิตสงบมาพิจารณานะอย่าให้มันอยู่ในสมาธินะเสียเวลาเนินช้านําจิตออกมาพิจารณาร่างกาย เกษาผมโลมาขนนัคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกายนี่ใจมันหลงร่างกายนะออกมาพิจารณานะอพอถามไปต่อมาอีกมันไม่ออกเนี่ยมันติดสงบนะท่านว่านะลงตานะมันติดในความสงบเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์ให้ออกมาทํางานลักษณะนั้นมันโอ้ตายพอเห็นออกมาแล้วมันเหงื่อตกมันร้อนมันไม่สบาย มันสู้ในห้องอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้เออมันไม่ยอมออกออพ อ, อ, อพอถอนออกมากับขยเกลเข้าไปในห้องแอร์อีกอย่างเก่าหาความสงบอีกเอก็ออไปถามหลวงปู่เนะ่ะมาหาปไปง่ายมันไม่ยอมออกกับผมอ่ะมันจะโยนในสมาธิได้ยังไงมันจะตายในสมาธิได้ยังไงออกตลองพิจารณาออก้ระบังคาไปมันออกสิสมาธิ ความสุขในสมาธิเนี่ยเหมือนกับเนื้อติดในไหลฝันท่านเองมันจะมีความสุขที่ไหนออาออนี่ก็คือหลวงตาท่านได้รับกนหนาบจากหลวงปู่มั่นโอ้โหท่านหลวงปู่มั่นครูเอาจิงจังจริงจริงเอีจากนั้นท่านก็บังคับให้ออกบาออกมาพิจารณาร่างกายพอพิจารณาร่างกายโอ้โอหเด็นโอ้โหตาย เราไปนอนตายอยู่ในสมาธิได้อย่างไรโธ่เสียเวลาจริงๆ เ, เหมือนกับเราเป็นนอนอยู่ในห้องแอร์มีความสุขแต่ที่ไหนได้การออกมาหาเงินหาเงินคาทรัพยสมบัติมีพัะนฐานเป็นสม บ, บัติของตนเองมันดีกว่าที่จะไปนอนอยู่ในสมาธิยนนอนอยู่ห้องห้องแอร์อไม่ได้ทรัพยสมบัติอะไรออกมาเลยเมันคนเรื่องกันเลย โอ้ตายจากนั้นก็ออกมาพิจารณาออกมาพิจารณาท่านนี้เตลิดเปิดเปิงเออจนหาที่จุดที่ยับยั้งไม่ได้เดีตาแข็งตาค้างเข้าไปเลยแต่นอนไม่หลับเพราะพิจารณาเข้าไปเพอกาศเพราะแม่กุญจาร์กับผมพิจารณาอ่าเข้าไปแล้วมันออกเตลิดเปิดเปิงนะกับผมมันไม่ยอมเอนอนไม่หลับเลยนะหลวงปู่มัน่นทั้งที่ท่านจะส่งเสริมท่านเอ้ย เออมันต้องเข้าสมาธิให้ได้สิต้องกลับเข้ามาสมาธิถ้าออกไปอย่างงั้นเดี๋ยวเป็นบาน่น่ะต้องเข้าสมาธิบังคับให้มันเข้าในเมื่อพิจารณาคือพิจารณาเมื่อพิจารณาตามสมควรแล้วให้กลับเข้ามาสมาธิให้ได้ในเมื่อสมาธิพักในสมาธิแล้วนำออกมาพิจารณาในเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วเข้าสมาธิในเมื่อเข้าสมาธิพอสมควรนะออกเดินปัญญาเข้าใจไหม นี่แหละอยู่ใกล er ้ค mm รู hmm. บาอาจารย์ให้ท่านแนะนำหลวงตาท่านหลวงตาโอ hmm. ้บังคับให้เข้าสมาธิโอ้บังคับยากเหลือเกินทีนั่นทั้งที่มัตรกรมันไม่ต้องบังคับมันก็เข้าได้แต่บางที่ต้องบังคับนะเออพ้ที่สูดกันน่ะสรุปแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็พร้อมกันก็ได้ยินแนะคําแนะนําสั่งสอนจากท่าน เรื่องสมวัถะคือจิตใจให้สงบสงบอย่างเดียวก็ไม่ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ไม่ได้เมื่อสงบก็ให้สงบเมื่อพิจารณาก็ให้พิจารณาจากนั้นก็นะพิจารณาจนรู้จริงเห็นจริงปล่อยวางที่จิตในใจเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานนะถ้าจะพูดไปเรื่องเป็นแต่แนวทางให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ต้นตระกูลพระ ก, กรรมฐานองค์หลวงตาของเราได้มาศึกษาแทากนกรรมฐานทอดให้กับพวกเราหลวงพ่อวันเมื่อวานเป็นวันเาผาศรีระประชุมจารีละสังขารขององค์ท่านหลวงพ่อก็ได้มาปราัรบเรื่องอแนวปฏิปทาขององค์หลวงตามาให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, าวิธีการประพฤติปฏิบัติเรื่องธรรมธะและวิปัจนาะให้พวกเรา นำไปประพฤติปฏิบัติเนะลูกหลานนะท่านขั้นตอนต่อไปกันนะพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส<ม>ได้ง่ายๆถ้าว่าพิจารณาตามนี้นะถ้าว่ามิจะส่งจิตส่งใจออกทางนอกหลวงพ่อบอกว่านะพวกผู้ใดก็ตามพระเนนองค์ใดก็ตามเ อ, อมีแต่ส่งมาอยู่ในวัดก็ส่งใจออกไปข้างนอกขาดทุนเนะื้อลูกหลานนะ ถ้าว่าพ่อค้าวานิชอาเสียเท่าแกต่างๆส่งข้าวไปขายต่างประเทศส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้กำไรนะส่งของออกนอกแต่พวกเราส่งจิตก ส, ส่งใจออกนอกมิตาขาดทุนนะมิตาขาดทุนผนปีเพราะนัญญาส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเราเป็นพระ สงองกระจ้าใหส้สติอยู่กับตนเองให้ภาวนาพุทโธมีสติในการก้าวเดินอยู่กับตนเองเราก้าวเดินยังไงเราเดินยังไงเราพูดยังไงมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตนเองนั่นแหละผู้ได้กาไรนะถ้าสงใจส่งออกไปข้างนอกนะขาดทุนถ้าเราไม่เป็นนักพจนักบวชไม่ว่านักพจนักบวชพวกผู้ใดก็ตามถ้าสงจิตสงใจออกไปข้างนอกนะขาดทุนนะ ถ้ามีสติอยู่กับตนเองนั้นได้กําไรนะได้ยินมาเสียงเสนีสมชายมันร้องอนะ่ะมันคงจะประกาศมาคงจะอุ่นอากาศคงจะอุ่นขึ้นมาแล้วนะไอเก็บผ้าห่มนะ่ะหลงตาหลงพอนะ่ะมันจะร้อนแล้วนะมันอากาศมันจะร้อนขึ้นมาแล้วนะหยดุดคงจนหยุดหมดหนาวแล้วมันคงจะว่าอย่างนั้นก็นมา่งนะเอาลับพอนะเสนีนะ้น่ะ